สวัสดีวันนี้มาถึงการที่จะอธิบายถึงเรื่องมงคลก็จะพูดแต่เฉพาะในเรื่องของมงคลในข้อนี้โดยเฉพาะสาหรับวันนี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญโดยใจความว่าอาริยสั จ, จนะดัชนีการเห็นอริยสัจอริยสัจคืออะไร อริยสัจคือของจริงของท่านพระอริยะอริยะคือใครอริยะคือเป็นตัดกิเลสตัดกเกลเดส่วนต่ำตัดกเกล็ดส่วนกลางตัดกเกล็ดส่วนถูงก็เรียกว่าอริยะและการที่เห็นซึ่งอริยสัจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนรู้หรือว่าท่องได้ ว่าอริยสัจมีเท่าไหร่แล้วคนนั้นจะเป็นอริยะหาใช่ไหมการปฏิบัติตนในทางสมาธิส่งเสริมพลังจิตจนกระทั่งมีพลังจิตแก่กล้าสามารถที่จะเห็นอริยสัจได้นั่นแหละถึงจะเชื่อว่าเป็นอริยสัจทีนี้อริยสัจมีอะไรบ้างอริยสัจมีอยู่สี่คือทุก์สมมติไทย นิโรธมักทุกคือความเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าเป็นทุกใครเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายก็คือร่างกายอันนี้แหละเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เราจะมองเห็นว่าได้เป็นตัวทุกข์ทุกต่ตอไปก็คือสมุติไทยสมมติไทยคืออะไรสมมติไทยคือตัณหา ตัณหานะั้นมีอยู่สามตัณหากามะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาความใคร่ในกามไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องแต่งงานหรือจะเป็นการที่จะต้องมีทรัพย์สินสมบัติหรือจะต้องมียศดฐานบรรดาศักดิ์หรือจะมีเกียรติยอดชื่อเสียงให้เรียกว่ากามะเรียกว่าเอ่อกียรติเอ่อตัณหา คือตัณหาเรียกว่ากามะตัณหาต่อไปก็คือภาวะตัณหาได้แก่การอยากมีอยากเป็นอยากเป็นโน่นไม่มีที่สิ้นสุดอยากเป็นนี่ไม่มีที่สิ้นสุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านาทิตัณหาสมานาทีแม่น้ําที่มันใหญ่มหาสมุทรที่มันใหญ่นี่มันยังน้อยกว่าตัณหาของคน เนี่ยแล้วก็อันดับท้ายควิภวะตัณหาวิภวะตัณหานั้นได้แก่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นได้ยศมาก็อยากให้มันอยู่ได้เงินมาก็อยากให้มันอยู่ได้ร่างกายมาก็อยากให้มันอยู่แต่มันหาได้อยูออ่กับเราอย่างจริงจังไม่นี่ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหานิโรธ นิโรธนั่นคือความดับทุกข์ก็คือดับตัณหานี่เองจะดับได้น้อยแค่ไหนจะดับได้มากแค่ไหนอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลถึงเรีย ก, กว่านิโรธและในข้อที่สี่ก็คื อ, อ, อมักมักได้แก่การที่จเจริญมักหมายความถึงที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าจเจริญมักทั้งแปะ จะเริ่มมาทั้งไปก็มาจากสมาธิฏฐิสมาธิฏฐิก็คือการเห็นอริยสัจสก็มาตรงกันตรงนี้พอดีว่าเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงโดยวิปัสนาโดยความที่พิจารณาผ่านวิปัสนาญาณก้านับไปตั้งแต่มุนจิตุกามยตาญาณหรือเรียกว่านิพิทายานนิพิทายานคือความเบื่อหน่าย การพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายเหมือน ก, นกันกับท่านปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธเจ้าแนะใหเ้เรียนในเบื้องต้นว่ารูปปางพิกเวออนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนแล้วก็พระพุทธองค์ก็ได้ตรัดต่อไปว่ารูปปางนิจังวานิจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เทียงปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เทียง พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อบไปว่าตัตมะเจหาพิกเวรพระเหตุนั้นพิกูจนทั้งหลายรูปอดีตในอดีตอนาคตปัจจุบันสัพพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหามัสมิณนะเ ม, ะมะโซอัสตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญาญาตตะบังให้พิจารณาตามความเป็นจริง คือไม่ใช่ว่าไปคิดเอาต้องให้เกิดนิพิจายานก็เรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าเกิดวิปัสนาวิปัสนาก็คือพระมรรคนั้นเป็นสิ่งที่จะทําอย่างไรมีองค์จะทําอย่างไรอย่างทุกควรทําอย่างไรทุกควรกําหนดรู้ท่านบอกว่าทุกควรกําหนดรู้ไม่ใช่ว่าเราจะ ไปพิจารณาแล้วให้ร่างกายมันยั่งยืนด้วยว่าให้อะไรเป็นอะไรไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสภาพก็ามันเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกนี้ควรกำหนดรู้คำว่าควรกำหนดรู้ก็คื อ, เ, อเป็นผู้ที่ต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาจะกำหนดรู้ไม่ได้เหมือนกันก็คนที่เรียนหนังสือเรียนหนังสือไป เ, อเมื่อเรียนหนังสือไป แล้วทีนี้เขาจะกำหนดรู้ในชั้นประถมในชั้นมัธยมในชั้นมหาวิทยาลัยเขาย่อมทาได้แต่คนที่ไม่ได้ศึกษาแล้วจะไปรู้กำหนดรู้รู้ไม่ได้เหมือนกันก็คนที่ทำสมาธิจะหรือว่าไม่ทาสมาธิไม่พอพอลงังจิตไม่พอมันก็กำหนดรู้ไม่ได้ตอนน้องมีสมาธิพอพอลงังจิตพอ จึงจะกําหนดรู้ได้เหมือนกันก็ควรต้องเรียนเท่านั้นปีต้องเรียนเท่านี้ปีเขาก็จะกําหนดรู้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกคนกําหนดรู้สามัคคยควรละเมื่อเกิดนิพพยานขึ้นมาเป็นวิปัสสนานิพพยานแล้วมันก็ละเองเราไม่ใช่คิดว่าจะเป็นละเอาหรือไม่ใช่คิดว่าไ อ, ไอ้ตัณหานี่ยมาอยู่ก็เราเราไม่เอามันแล้ว พูดแต่ปากแต่ว่าใจมันเป็นกิเลสอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าละไม่ได้เหมือนกันกับคนที่ต้องการใจอิ่มการกินข้าวรับประทานอาหารเออเรารับประทานไปถ้าหากว่ามันหิวถ้าหากว่าเราไม่รับประทานเราเอาแต่พูดเออฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มแล้วกี่ปีกี่เดือนมันถึงจะอิ่มไม่อิ่ม ยังจะตายด้วยอย่างนี้แต่ว่าคุณกินไปกินไปความหิวมันหายเองมันโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเหมือนกันก็คนมีวิปัสสนาท่านบอกว่าสมมติไทยควรละก็คือกระทำไปพิจารณาไปเห็นไปอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็คือนิโรดนิโรดเนี่ยคือความดับทุกข์ คือดับตัณหาเนี่ยนิโรธควรทำให้แจ้งเครเรียกว่าสัจจิการบัลจิเมพิกเวดูก่อนพิกษูทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการทำให้แจ้งนั้นถ้าเราไม่รู้เราจะทำให้แจ้งได้อย่างไรเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เรียนมันจะทำให้แจ้งได้อย่างไร เ, เราไม่มีมัธยมไม่มีผสมเราไม่ได้ศึกษาแล้วมันก็แจ้งไปไม่ได้สาหรับ การศึกษาต่างๆความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นนิโรธควรทำให้แจ้งก็คือว่าต้องศึกษาต้องศึกษาให้ครบจํานวนหรือเรียกว่ามีพลังจิตเจ็ดเึงจุดพลังอำนาจเมื่อถึงจุดพลังอำนาจพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วมันก็เกิดตาทิพย์เมื่อเกิดตาทิพย์ก็เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเกิดความเบื่อหน่าย แล้วความเหมือนไห น, นนะัน่ะเมื่อวิปัสนาญาณเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะครั้งเดียวมันสำเร็จไม่ได้ต้องนับครั้งไม่ท้วนเหมือน ก, นกันกับท่านทั้งหลายพาการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั่นนะ่ะท่านอิ่มไปกี่ครั้งกว่าท่านจะโตมาถึงป่านนี้จังแต่เด็กมาถึงป่านนี้ท่านอิ่มกี่ครั้งและมันโตขึ้นมาได้ยังไงโตขึ้นมาเพราะมันอิ่ม อิ่มขึ้นมาแล้วมันอิ่มกี่ครั้งเราก็นับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นมักเทพพระพุทธเจ้าตรัสจึงเรียกว่าภาเวตะบันเจเมพิกเวดูก่อนภิกษุดทั้งหลายมักควรเจริญให้มากภาวโตพระุลิกโตก็ทําให้มากเจริญให้มากอภินญยยะจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโภทัยะจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิปานายะจึงจะเป็นไปเพื่อความดับสนิท แล้วคนเราพอมันอิม่มครบจํานวนแล้วมันก็เป็นเด็กพออิ่มครบจํานวนแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวความเมื่ออิ่มครบจํานวนแล้วก็มีอายุตามกําหนดอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าไออิม่มความอิ่มนั้นนับไม่ถ้วนเหมือนกันก็คนที่พิจารณาทุกข์ให้เกิดวิปัสนาญาณเกิดความเบื่อหน่ายมันต้องเจริญให้มากจะทําให้มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสท่านจึงแสดงถึงวิปัสสนูไว้เพราะคนที่ชอบสุขกอนหำ ม, มันยังไม่ทันจะสําเร็จย้ำภัยพลังจิต ย, ย, ย, ยังไม่ทันพอก็บอกว่าจะเอาแล้วบอว่าเหมือนอย่างกันครับเป็นเด็กอายุสามขวบห้าขวบฉันจะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นไม่ได้มันมึนงเปลยนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องพอเพียงแก่ความต้องการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คำว่าอริยสัจาณะรัสนังก็หมายความอย่างนี้คือจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้อันนี้เราพูดเกินโดยย่อเพื่อที่จะให้พอเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าอริยสัจาณะรัตนังเราสวดว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วซึ่งอริยสัจคืออะไรคือทุกสมุทยัยในรถมัดแล้วข้าพเจ้าก็สาเร็จแล้วอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันก็คนบอกว่า อาหารมีแล้วข้าพเจ้าอิ่มแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กินแล้วก็ท่านจะว่าท่านอิ่มได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในมงคลระสตรข้อนี้จะมีความสําคัญขอให้พากันเข้าใจว่าอาริยสั จ, จานัศนังคือสิ่งที่สามารถเห็นอริยสัจก็จะสําเร็จเป็นอริยบุคคลได้สวัสดีสาธุ